ที่จริงนะฮะการที่เร า, เาทําปิญญาเนี่ยนะก็ถามว่าทําเพื่ออะไรเพื่อที่จะไปไปรู้สมุทฐานของของไปหาตัวสมุทฐานเนี่ยถ้าแนวปฏิบัติใดเนี่ยปฏิบัติไปแล้วไม่ไม่ไปรู้ตัวสมุทฐานคือตัวตัวโลภะก็ดีหรือว่าตัวตัณหากดีเนี่ยนะอันนั้นก็ไม่ใช่แนวทางปฏิบัติอยู่แล้ว และเมื่อเจอแล้วนี่นะยังจะต้องทําปริยาต่อไปนะเพื่อที่จะทํายังไงให้ตัญหาอันนี้มันไม่มีหรือมันหมดเนะีโดยโดยเข้าไปไปพิจารณาในความไม่เที่ยงเป็นทุกมันเป็นอะไรให้มันเบื่อให้มันหนาให้ได้มันจึงจะเป็ไล่ไตัวนั้นได้ถ้าแนวทางปฏิบัติใดนะไม่เกี่ยวข้องพวกนี้นะไปจดจ้องดูอย่างเดียวเนี่ยนะแล้วจะไปขึ้นชื่อว่าวิจัยได้ยังไงครับวิเคราะห์ได้ยังไงเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วครับ นี่ยถ้ามีการพิจารณาบ่อยๆอย่างนี้เรื่อยๆเนี่ยนะเจริญมากๆเขาก็จะเห็นทั้งสมุทัยเอ่อที่เรียกว่าสายสมุทัยวาระกับสายนิโรธวาระทั้งทวารหกนะนถ้าจะสร้างตาต่อไปนี่สร้างยังไงถ้าจะดับตาต่อไปนี้ดับยังไงอันนี้แหละเขาเรียกว่ารู้เหตุเกิดกับรู้ความดับนะ ร, รู้ความเกิดความดับของภาษาญาตนะว่าสร้างตามสร้างยังไง ถ้าจะทําลายมันให้มันสิ้นซากทำยังไงอันนี้แค่ว่ารู้เบื้องต้นก่อนนะยังไม่ได้เข้าสู่การปฏิบัติอะไรเท่าไหร่เลยนะฮะอย่างที่กล่าวไปเมื่อกี้เนี่ยรู้ว่าไปยังไงมายังไงใช่เฉยภาษาธรรมะใช้คําว่ายะถาภูตังเนี่ยนะรู้เห็นตามเป็นจริงก่อนขความจริงมันก่อตัวขึ้นได้อย่างนี้ถ้าจะทําลายมันเนี่ยทําลายได้อย่างนี้แล้วข้อปฏิบัติอะไรละอันนั้นค่อยว่าอีกทีหนึ่งให้ เพราะอย่างที่กล่าวไปเมื่อกี้ยังไม่ใช่ข้อปฏิบัติตัวที่ใช้คำว่ายังไม่ใช่ข้อปฏิบัติคือยังไม่ได้ปฏิบัติเพื่อจะออกจากสิ่งเหล่านี้เลยเพียงได้รู้ว่าไปยังไงมายังไงถ้าเป็นทางแพทย์ก็คือว่าวินิจฉัยว่าโรคเกิดจากอะไรเนีย่ยนะโรคเนี่ยไปยังไงมายังไงแล้วก็ถ้าจะแก้โรคดับโรคเนี่ยดับได้ยังไงแล้วค่อยว่าถึงตัวยาอีกครั้งหนึ่งอ น, น นั่นในข้อปฏิบัติที่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดนั่นแหละเขาเรียกว่าตัวจะหรือว่าเริ่มกินยาแล้วคือการตามตามไอ้เราภาษาทรามเรียวุฒฐานะขามินีวิปัสนาวิปัสนาที่ประพฤติเพื่อจะออกจากสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะอันนั้นเป็นวิปัสนาชั้นสูงอีกระดับหนึ่งแต่ว่าเบื้องต้นนี้อย่างอย่างทุกวันนี้ปัญหาก็คือว่ามันขัดแย้งตั้งแต่ว่าไอ้รู้เหตุเกิดกับความดับเนี่ยมันขัดตั้งแต่ต้นเลยไม่จําต้องพูดว่า ปฏิบัติเพื่อออกเนี่ยนะปัญหามันเกิดจากอะไรก็ยังไม่รู้ไอ้ตัวปัญหาจริงๆมันคืออะไรก็ไม่รู้แล้วปัญหามันเกิดจากอะไรก็ไม่รู้แล้วมันแก้ได้ไหมแก้ได้ยังไงก็ไม่รู้รู้แต่ว่ามันลึกซึ้งรู้แต่ว่ายากแก้ยากมากโอ้ลึกจริงๆนะถาม่าพูดอย่างนั้นแล้วมันฉลาดอะไรขึ้นบางเอาก็จะได้ถ้าเราโง่ต่อไปก็ไม่เสียหายไงถ้าเราพูดอย่างนั้นบ่อยๆนะ เออถ้าเราโู่ต่อไป ก, ก็ก็ไม่เป็นไรก็ไม่มีใครมาว่าอะไรเราเพราะมันเป็นเรื่องยากอนะแล้วก็สบาย น, นะกลบอย่างนี้ไปเรื่อยเรื่อยรื่อยรื่ยแต่ก็อันนี้กลบกลบวิ ช, ชานะกลบกลบวิ ช, ชาไปเรื่อยเรื่อยทับถมอาวิ ช, ชามากขึ้นมากขึ้นใครมันจะน่าสงสารเท่ากับเราอีกแล้วนะไม่มีแล้วจเจริญกรุณาให้ตัวเองได้เลยก็เหมือนกับว่าตาของเราเนี่ยมันรักษายากมากนะติดเชื้อตั้งหลายเชื้อนะมันปลายให้มันบอดเถอะ ไปบุ่นว่าอะไรกับการใช้ยามากนักเลยก็ปล่อยให้บอดแล้วก็เดินจะเราต้องแต่เราต้องเดินทางนะมันหยุดไม่ได้ต้องเดินทางควบคู่กับด้วยบอดต่อไปเนี่ยนะอะไรจะเกิดขึ้นสมมุติถ้าปล่อยให้ตาบอดเดินทางอนะในยุคนี้อันตรายแลยนะออกบ้านนี่ก็เริ่มนะไมรู้ไปรถจะชนมั่งกับม้โนนะทีนี้อถ้ารถชนแล้ยมันไม่ตายนะสมมุติถ้าเป็นแบบส ม, มุติลักษณะว่า จะอยู่ในสภาพไหนไม่มีตายนะพูดถึงแบบคล้ายๆชีวิตอมาตะว่า ง, งั้นเถอกระแทกแขนหลุดไปข้างหนึ่งก็ยังเดินต่อไปอีกอยังไงเนีน่หัวขาดไปซี่หนึ่งก็ยังเดินต่อไปอีกอะไรจะเกิดขึ้นแต่ให้รู้ว่าวัฏตะนี่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆสัตว์ทั้งหลายที่เป็นไปในวัฏฏะนะเรียกว่าหลับตาเดินก็ไม่ผิดอะไรเนี่ยนะหลับตาเดินก็ไม่ผิด สังสารวัต ท, ที่เป็นไปเนะีเหมือนกับการหลับตาเดินไม่รู้มายังไงไม่รู้ไปยังไงทําที่ไหนจบอย่างไงอะไรอย่างไงแก้ยังไงไม่รู้เลย น, นะในพระไตรปิฎกกล่าวไว้หลายแห่งบอกว่าวิชาอย่างที่กล่าวนะคำสอนอย่างที่กล่าวไปถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ า, าเกิดขึ้นมาในโลก น, นะไม่มีทางรู้เลยนะสำหรับสําหรับทั่วๆไปนะเวน้นพระปัจเจกกับพุทธเจ้ากับพระพุทธเจ้าซิผู้อื่นที่จะมามารอบรู้เนะี่ยไม่มีทางก็ ค น, น, นอื่นนะก็บอกว่าแค่มาเรียนตามท่านก็นยังยากเลยนะบอกผู้าศาสนาไปเรียนมัาเลยยากมากว่างั้นลึกซึ้งต่อโอ้ลึกซึ้งไห่มันขายได้ทุกเรื่องจริงไหมอยากให้มันมง่ายๆก็ทํากับโลกออกมาอะไรเงี้ยดูนานๆแล้วมันก็วาดขึ้นมาอย่างเงี้ยมันก็ก็อาจารย์มหาลัยท่านหนึงก็บอกแม่แม่อยากจะให้พระเนี่ยทำเนี่ยพระไตรปิฎกชุกุ๊กมึงให้มันง่ายๆหน่อยอะไรหน่อย ง, งั้นเธอประชาชนทั่วๆไปก็จะได้ศึกษาได้ก็ก็บอกาาอาจารย์นั้นว่าอาจารย์ก็ทําหลักสูตรในมหาลัยให้มันง่ายๆหน่อยชาวบ้านเด็กเล็กทั่วไปมันเรียนให้มันจบง่ายๆหน่อยเอ็นท่านจะไปยากเย็นอะไรให้มากนะักเรียนให้มันจบเนี้ยเขาเรียนอยู่ที่บ้านจบเลยปริญญาเอกเลยนะอประกาศตณียบัตรตามไปให้ถึงลังคาเรือนเลยนะทำไมอาจารย์ไม่ทําอย่างนั้นบ้างเขาเป็นอาจารย์มหาลัยอยู่แล้วนะคนนั้นนะก็เลยเลิกคุยเรื่องนี้ต่อไปเลยงนะั้น ก็ง่ายๆก็มาม่าเนี่ยง่ยครัวทั้งครัวอยู่ในฟองเดียวหมดเลยนะต้มน้ำร้อนอย่างเดียวได้แล้วคือศึกษาคำสอนเนี่ยคือที่กล่าวอย่างนั้นเนี่ยทำให้เห็นอย่างหนึ่งว่าเขาเขาไม่มีศรัทธาเลยเนี่ยน ะ, นะกรรมสกตาไม่มีเลยไม่ไม่รู้อะไรเป็นบุญอะไรเป็นบาปเลยเนี่ยนะคือแม้ถ้าเรื่องกรรมเขายัางไม่คิด ไม่จำกล่าวถึงเรื่องอื่นเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะว่าทางทางคําสอนของเรานี่ถือว่าความรู้เรื่องกรรมนี้เป็นเบื้องต้นเป็นเบื้องต้นจริงๆคือกรรมมสกตาสัมมาทิฏฐิเพราะว่าบุคคลผู้มีกรรมมสกตาสัมมาทิฏฐิก่อนต่อไปก็จะทําให้เขามีสัมมาสังกปะไอสัมมาสังกปะเป็นปัจจัยจึงมีสัมมาวาจาเป็นต้นเนี่ยนะซึ่งสิ่งเหล่านี้ที่เขาอบรมอย่างดีก็เพื่อสัมมาทิฏฐิแต่เป็นฌานสัมมาทิฏฐิหรือ วิปัสนาสัมมาทฤฤิฏฐินั้นการเจริญฌานสัมมาทิฏฐิวิปัสนาสัมมาทฤฤิฏฐิก็เพื่อมักสัมมาทิฏฐิเพราะฉะนั้นขึ้นต้นนะถ้าความเข้าใจในเรื่องกรรมเป็นต้น on. อ่อนนะพระพุทธเจ้าก็ไม่สอนอริยสัจอยู่แล้วนะกรรมฐานก็ไม่ให้นะกรรมฐานสติปัฏฐานก็ไม่สอนอริยสัจจะไม่สอนกับผู้ที่ไม่มีกรรมสกตาระนะคือคือไม่รู้จะไปแ น, นะนํำยังไงเนีเ ข, เขาายัางไม่รู้เลยไปยังไงมายังไงอะไรยังไงเนี่ยนะก็เขาไม่รู้อยู่แล้ว ในทวารอื่นๆก็ในญ่านเดียวกันนะทวารหกนะต้องเจริญแบบเดียวกันคือแบบฟอร์มเหมือนกันแต่ว่าไม่เหมือนกันเพราะว่าตากับหูไม่เหมือนกันอยู่แล้วนี่นะแต่ว่าอันนี้พูดถึงว่าแบบฟอร์มในการพิจารณาเ น, นี่ยคล้ายกันแต่ว่าไม่เหมือนกันเข้าใจะนะคุณวันชูคำนี้ เขา้าใจว่ายังไงครับก็พระปาก็จะมีนักที่จากวิญญาณนะทั้งทีเห็นก็ข้อหู้กะาเป็นเรื่องของฟังไหมฮะเป็นเรื่องของลงโลกของเสียงนี่ก็เป็นเรื่องใหญ่อีกรื่องนึง น, นะโลกของกลิ่นนี่ก็เรื่องใหญ่โลกของลิ้นนี่ก็โหเรื่องใหญ่มากเลยนะครัวนี่บ้านนี่เขาทนะเาต้องไม่ลืมอย่างหนึ่งคือครัวมันสาคัญมากส่วนหนึ่งของบ้านเลยนะครัวเนี่ย นั้นก็แปลงมาเรื่องใหญ่มากเรื่องลิ้นเนี่ยแล้วก็โพธาพานี่ก็เรื่องใหญ่เนี่ยนะความคิดนี่ก็เรื่องใหญ่มันก็โลกทวารหกเนี่ยใหญ่ทุกเรื่องเลยเนไะเราไปติดทุกเรื่อง น, น, นะนีเราก็ไปติดทุกเรื่องถ า, ามว่าไ ม, ไม่ไม่มีมีอะไรมั่งที่เราไม่ติดเนี่ย น, นะหาไม่ค่อยหายากเต็มทีเหมือนกันเลอยึดหมดเลยนะเอาหมดเลยนะอยู <c oughs> ่เรื่อยเลยกรวาหาปัจจัยสร้างไปเรื่อย ใครมีมีอะไรอีกไหมก็เหตุ่างนี้ใช่ไหมครับที่เขาจะเอาวิปัสนากรรมฐานเอาไว้ในปริเด็นที่9ก้เพราะว่าเป็นสองสามแล้ว็ขาต้องรู้ดีก่อนแล้วถึงจะไปเจอก็ปกติแล้วก็ต้องตามลำดับจริงๆนะตามลำดับในอย่างผู้ที่เรียนพระไตรปิฎกเนี่ยนะอย่างนิกายทั้ง4เลยทีขณิกายเนี่ย ท่านถือว่าการเรียนทีคนิกายหมายถึงว่าจบวิสุทธิมรรคมาแล้วนเนี่ยนะจบวิสุทธิมรรคมาแล้วหรือเรียนมัชฌิมนิกายหรือนิกายไหนก็ตามถือว่าจบวิสุทธิมรรคมาแล้วจึงมาเข้าสู่นิการนั้นนั้นเปเพราะอะไรเพราะว่าไอ้คำไหนที่ต้องอธิบายเป็นเรเื่องไปราวเนี่ยท่านถือว่า ท, ทําไว้ ท, ที่ที่วิสุทธิมรรคดีอยู่แล้วนเนี่ยนะเพราะฉะนั้นอย่างใช้คําว่าสติปัฏฐานหรือคําว่าวิปัสนาเนี่ยผนวกบวกวิสุทธิมรรคเข้าไปเลยไม่ผิดเนี่ยนะ ทีนี้ถ้าดูอย่างในพระ เ, เตลุกานิเทระเนี่ยนะ เ, เป็นพระที่เกิดมาเพื่อสแสวงหาหาทางแห่งความพ้นทุกข์เนี่ยนะคือคือชีวิตเนี่ยเกิดมาเพื่อต้องการหาทางพ้นทุกข์เลยเประวัติของท่านมีอยู่ว่ า, mm hmm. าพระเระรูปนี้บำเพ็ญบุญญาธิการไว้ในพระพุทธเจ้าองค์กรสังสมอุปนิสยัยอันเป็นตัดใจแห่งพระนิพพานเอาไว้ในภพนั้นๆ พุทธบาตรการนี้ก็เกิดในตระกูลพราหมณ์ในเมืองสาวัตถีก่อนพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นเชื่อว่าเตลูกานีเนี่ยเจริญว้ยก็รังเกียจในการเพราะเป็นผู้อุปนิสัยสมบูรณ์ด้วยเหตุจึงละการครองเรือนออกบวชเป็นปริพาชคมีอัทยาศัยเนี่ยออกจากวัด ต, ตักเที่ยวสแสวงหาวิโมกข์คือการห <c oughs> ลุดพ้นโดยเป็นต้นว่าใครคือท่านผู้ถึงฝังในโลกนี้จะเข้าไปหาสมณะพราหมณ์เหล่านั้นแล้วไต่ถาม คือไปถามหาวิธีเพื่อดับทุกเนี่ยนะทายัางไงจะดับทุกได้บ้างกันสมณะพรามเหล่านั้นทําให้เขาดื่มดำไม่ได้เขาเนี่ยมีจิตข้องกับปัญหาจึงได้ท่องเที่ยวไปก็มีปัญหาว่าออกจากทุกขได้ยังไงออกจากทุกได้ยังไงเนี่ยนะก็าถามเที่ยวถามก็ไปเรื่อยอยีครั้งนั้นพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยอุบัติเกิดขึ้นในโลกประกาศธรรมจากอันบอบบอลบำเพ็ญประโยชน์เกื้อกูลแก่สัตว์โลกวันหนึ่ง ท่านก็เข้าไปเฝ้าภาษาสดาฟังธรรมมีศรัท ธ, ธาก็บวชเจริญวิปัสสนากรรมฐานไม่นานนักก็บรรลุเป็นพระหันวันหนึ่งท่านอยู่กับเ พ, พื่อพิสูจพิจารณาถึงคุณวิเศษที่ตนได้บรรลุแล้วหัวระลึกถึงการปฏิบัติของตนตามแนวนั้นคือระลึกถึงที่ตัวเองเคยไปปฏิบัติมาเนี่ยนะเมื่อจะบอกข้อปฏิบัติเหล่านั้นทั้งหมดแก่พิสูุทั้งหลายจึงได้กล่าวคาถาว่าเรามีความเพียรเนี่ยค้นคิดธรรมะอยู่นานก็ไม่ได้ความสงบใจ นะคิดหาวิธีที่จะออกจากทุกเนี่ยนะคิดอะไรให้มันเป็นข้อปฏิบัติให้มันพ้นทุกเนี่ยคิดอยู่นานก็ไม่ได้จึงได้ถามส ม, มณพราหมงทั้งหลายว่าใครเนอะในโลกเป็นผู้ถึงฝั่งแล้วเนี่ยนะถึงฝังแล้วนะใครเล่าเป็นผู้ได้บรรลุธรรมะอันยังลงสู่อมะตะใครนะบรรลุนิพพานบ้างางั้นนะเราจะปฏิบัติธรรมะของใครซึ่งเป็นเครื่องให้รู้แจ้งประมัดประมัดไหนที่นี้หมายถึง หมายถึงประมัดคือนิพพานเนะี่ยประมัดตัวนั้นหมายถึงนิพพานเรานี่เป็นผู้มีความคดคือกิเลสอันเป็นไปแล้วในภายในเหมือนปลาที่กินเหยื่อฉะนั้นเนี่ยนะรู้ตัวเลยว่าตัวเองนี่มีกิเลสไหมแล้วก็กิเลสที่มันเกิดเนี่ยไม่ต่างอะไรจากปลาที่กินเหยื่อเข้าไปนะก็ทุรนทุรายอยู่ตลอดเรานี่ถูกบวงใหญ่คือกิเลสเหมือนเทาเวปจิตติอสูน ผูกผูกด้วยบ่วงของเท้าสักกะชะ น, น, นั้นนะครับบอกว่าเหมือนอาสูรถูกเทวดามัดเหมือนกันเรากะชากบ่วงคือกิเลสนั้นไม่หลุดจึงไม่พ้นไปจากความโศกและความร่ําไรใครในโลกจะช่วยเราผู้ถูกผูกให้หลุดพ้นแล้วประกาศทางเพื่อตรัสรู้ให้เราเนี่ย น, นะมีใครนะบอกวิธีเราได้บ้างเราจะรับสมณะหรือพราหมณ์คนไหนเอาไว้เป็นผู้แสดงธรรมเครื่องกําจัดกิเลสได้ เราจะปฏิบัติธรรมะอันเป็นเครื่องนําไปปราศจากชราและมรณะของใครคือโจุดมุ่งหมายเขาต้องการออกจากกองทุกข์จริงๆเนี่ยนะจะปฏิบัติเอาของใครนะใครจะแก้ปัญหาให้เราได้ทํายังไงให้เราพ้นจากแก่และพ้นจากตายได้เนี่ยนะคือคิดหาข้อปฏิบัติแสดงว่าพื้นฐานในการรู้ทุกข์กับสมุทัยเนี่ยก็พอสมควรแสดงว่าพื้นฐานมีกรรมสกตาดีพอสมควร เพราะว่าเห็นโทษภัยของการเกิดเห็นโทษภัยของชรา ม, มรณะเห็นโทษภัยของกิเลสแต่ไม่รู้จะแก้มันได้ยังไงไม่รู้จะออกไปได้ยังไงมันจิตของเรานี่ถูกร้อยไว้ด้วยความสงสัยและหลังเลนนะประกอบด้วยความแข็งดีเป็นกำลังฉุนเฉียวถึงความเป็นจิตกระด้างเป็นเครื่องทำลายตัณหาคือตัณหานี่ก็กโธสัมมันก็เกิดตัณหาก็เกิดเนี่ยนะ สิ่งใดมีธนูคือตันหาเป็นสมุทฐานมีสามสิบประเภทเป็นของมีอยู่ในอกเป็นของหนักทําลายหะไทยแล้วตั้งอยู่ขอท่านจงดูสิ่งนั้นเถิดเนี่ยนะก็ปาราถึงกิเลส ท, ที่มีอยู่ในใจของท่านน่ยนะการไม่ละทิฐิเล็กน้อยอันลูกศอนคือดําริผิดให้อาฐานขึ้นแล้ว น, นะคือคือมิจฉาทิฐิเกิดขึ้นนะเสร็จแล้วก็มิจฉาสังกัปะต่อมา เรานี้ถูกยิงด้วยลูกสอนคือทิฐิหวั่นไหวอยู่เหมือนใบไม้ถูกลมพัดฉะนั้นเนี่ย น, นะคือคือถ้าปกตินะผู้ที่มีมิจฉาทิฐิอย่างใดอย่างหนึ่งนะจะหวั่นไหวโดยโดยธรรมชาติางนั้นนะนะไม่ไม่ไม่สงบประณีตอะไรนะถ้าถ้าเป็นมิจฉาทิฏฐินะมันจะไหวเหมือนใบไม้นะถ้าเป็นใบโพเนี่ยชันมันจะวั่นไหวอ ย, อยู่ตลอดเพียงแต่ว่าใครมันจะกรบเก่งกับใครเท่านั้นเองนะไม่ให้รู้ว่ามันไหวจริงๆแล้วก็ไหว ลูกสอนคือที่ติดตั้งขึ้นแล้วในภายในของเราเนี่ยก็ย่อมไม่ทันทีกายอันเนื่องด้วยสัมผัสทั้ง6เกิดขึ้นในที่ใดย่อมเล่นไปในที่นั้นทุกเมื่อเราไม่เห็นหมอผู้จะถอนลูกสอนของเราเนี่ยนะเยียวยาเราโดยไม่เยียวยาด้วยเชือบต่างๆด้วยศาตราและด้วยวิธีอื่นๆคือเขามีเงื่อนไขว่าเขาเนี่ยอยากจะผาเากิเลสออกแต่ว่าต้องไม่ใช้เชือกมัดนะ ต้องไม่ใช้อาวุธผ่าแล้วก็ต้องไม่ใช้วิธีการอย่างอื่นอ่ะแต่ต้องแก้กิเลสให้เราได้นะมันจะใช้ข้อไหนนะนังว่าไม่ไม่ไม่ใช่ขึ้นเขียงให้เผาออกน่นใช่ใครไม่ต้องใช้สาตราไม่ทำร่างกายของเราให้เป็นแผลไม่เบียดเบียนทางร่างกายของเราทั้งหมดจัดถอนลูกศรอันเสียบอยู่ในภายในใจของเราออกได้ก็บุคคลนั้น ผู้เป็นใหญ่ในธรรมเป็นผู้ประเสริฐลอยโทษอันเป็นพิษเสียได้พึงช่วยขึ้นบกคือนิพพานและหัดคืออริยมรรคแก่เราผู้ตกอยู่ในห่วงน้ําคือสงสารอันลึกเราเป็นผู้จมอยู่ในห่วงน้ําอันดําดินเนี่ยนะคือทุลีไปไม่ได้เป็นห่วงน้ําลาดไปด้วยมายาลิสยาแข็งดีและความง่วงเาหาเหานอน ความดําริทั้งหลายอันอาศัยราคะเป็นเช่นกับห่วงน้ำใหญ่มีเมฆคืออุทธจจะเป็นเครื่องคำรนมีสังโยชน์เป็นเครื่องฝนย่อมนำบุคคลผู้มีความเห็นผิดไปในสมุดคืออบายกระแสกระแสตันหาทั้งหลายย่อมไหลไปในอารมณ์ทั้งปวงตันหาเหมือนกับเถาวันเกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่คือตันหามันพาผูกพามัดภารับไปหมดอะ ใครจะพึงกั้นกระแสตันหาเหล่านั้นได้ใครเล่าจะตัดตันหาเพียงดังเถาวันนั้นได้ตันหาที่มันร้อยมันเที่ยวจับทั่วไปหมดนะเนี่ท่านผู้เจริญทั้งหลายขอท่านทั้งหลายจงทําฝั่งอันเป็นเครื่องกั้นกระแสตันหาเหล่านั้นเถิดอย่าให้กระแสตันหาอันเกิดแต่ใจพัดพาท่านทั้งหลายไปเร็วพลันเหมือนกระแสน้ําพัดพาต้นไม้ตั้งอยู่ริมฝั่งไปฉะนั้นนะไม่ยาให้กิเลสมันพาไปแบบนั้นเนี่ย พระศาสดาผู้มีอาวุธคือปัญญาเนี่ยนะตอนนี้ก็คือตอนแรกก็ปรารบถึงเหตุการณ์ชีวิตของท่านเลยตอนหลังก็พูดถึงว่าท่านมาเจอพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยนะพระศาสดาผู้มีอาวุธคือปัญญาผู้อันหมือฤาษีอาศัยแล้วคือผู้ฤาษีเนี่ยหมายถึงผู้สแสวงหาคุณใหญ่เนี่ยนะฤาษีตัวนี้หมายถึงท่าระยะเป็นที่พึ่งแก่เราผู้มีภัยเกิดแล้วผู้สแสวงหาฝั่งคือพระนิพพานจากที่ไม่ใช่ฝั่ง ที่ไม่ใช่ฝั่งก็เนี่ยอายตนะขันอายตนะพวกนี้ไม่ใช่ฝั่งแสวงหาพระนิพพานที่เป็นฝั่งพระองค์ได้ประทานบันไดอันทอดไว้ดีบริสุทธิ์สําเร็จด้วยไม้แก่นคือธรรมะเป็นบันไดอันมั่นคงแก่เราผู้ถูกกระแสตันหาเนี่ยพัดไปอยู่ได้ตรัสเตือนเราว่าอย่า ก, กลัวเลยเนี่ยนะก็เรียกว่าปัญหาที่มีอยู่ทั้งหมดเนี่ยนะพอมาถึงพระพุทธเจ้าพระองค์บอกไม่ต้องกลัวนะว่าเรื่องที่ท่านติดข้องเนี่ยไม่ต้องห่วงแล้ว เราได้ขึ้นสู่ปราศาสตร์คือสติปัฏฐานพี่จารณากายสิบสี่ปัพาถ้าตามสูตรนะพิจารณาเวทนาเกพิจารณาเห็นจิตสิบหพิจารณาเห็นธรรมมาห้าหมวดแล้วเจริญอนุ ป, ปัสนาทั้งเจดในในสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดนะถ้าทำได้ตามนั้นนะ่จะพิจารณาเห็นหมูสัตว์ผู้ยินดีในร่างกายของตน คือผู้เจริญสติปัฏฐานคือตามเห็นน่ะนะขันห้าหรือกายเวทนาจิตธรรมโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นต้นน่ะนะแล้วละวิปลาดได้หมดถ้าเจริญตามนั้นได้จริงๆจะเห็นว่าปกติแล้วสัตว์ทั้งหลายตรงกันข้ามหมดเลยใช่ผู้ติดข้องในร่างกายของตนที่เราได้สำคัญในการก่อนโดยเป็นแก่นสารนะคือสำคัญว่ากายเป็นต้นนี้เป็นแก่นสารน ก็ถ้าพี่จะจะเจริญตั้งแต่อาณาปานสติไล่ไปตามลำดับจนถึงกระดูกแหลกเป็นผุยผงจะเห็นว่าสิ่งเหล่านี้จริงๆแล้วไม่มีแก่นสารอะไรแต่ว่ามูสัตว์กลับเห็นว่าเป็นแก่นสารก็เมื่อใดเราได้เห็นทางอันเป็นอุบายขึ้นสู่เรือเมื่อนั้นเราจากไม่ยึดถืออัตตาได้เห็นท่าคืออริยมรรคอันอุดมคือไม่ได้สาคัญผิดในอุปาทานขันห้าว่าเป็น อัตานะก็เห็นแล้วอริยมรรคเนี่ยเจริญอย่างนี้แหละเหมอนกันแต่อริยมรรคที่สูงสุด น, นะนะพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงทางอันสูงสุดเพื่อไม่ให้บาปประธรรมทั้งหลายมีทิฐิและมานะเป็นต้นซึ่งเป็นเหมือนกับลูกสอนเนี่ยเกิดในตนอันเกิดแต่ตันหาเครื่องนําไปสู่พบเนี่ยเป็นไปไม่ได้อ่า น, นะคำสอนอันนี้คืออริยมรรคเนี่ยจะทําลายไอตัวตันหา ม, มานะทิฐิทั้งหมดเนี่ย พระพุทธเจ้าทรงกำจัดโทษอันเป็นพิษได้ทรงบรรเทากิเลสเครื่องร้อยรัดของเราอันนอนเนื่องอยู่ในสันดานตั้งอยู่แล้วตลอดกาลนา น, นนะสำหรับผู้ที่ไม่เคยทําปริญญาเหมือนกับกิเลสมันนอนอยู่ตรงนั้นจริงๆเลยนะเหมือนเพราะมันมันได้ปัจจัยเกิดเลยได้ปัจจัยก็เกิดเลยแต่ถ้าผู้ที่ทําปริญญาพิจารณาจนรอบคอบถอนฉันธราคะได้หมดก็นั่นแหละกำจัดเครื่องร้อยรัดทั้งมวลได้ มีบางบางแห่งท่านบอกว่าท่านทั้งหลายจงตัดกิเลส ท, ที่เป็นดุจป่าเสียเนี่ยนะไอ้กิเลสเครื่องร้อยรัดเครื่องผูกพันทั้งหลายเนี่ยเหมือนป่าจริงๆอ่ะนะถ้ามองตรงไหนที่มันพอจะทะลุปลูกพรงเป็นต้นนี่ยก็ยากเหมือนกันนะกิเลสมันผูกมันพันมันผูกมันมัดร้อยรัดอยู่นั่นหมดนะอันทาศึกษาข้อมูลคําสอนไม่ดีพอเนี่ยไม่รู้จะชําระสะสางกับปัญหาชีวิตตัวเองได้ยังไงเว้นไว้แต่กรบเกลื่อนไปวันๆด้วยการไม่สนใจทั้งไปทสนใจมะ คิดอะไรมากเออเรื่องพวกนี้นะเดี๋ยวก็เป็นบ้าสลักนะ <c oughs> กันนะก็หลอกหลอกกันไปคมขม่ขมช่วยชวยกันไว้รักษากันไว้อย่าไปเลยอยู่อย่างนี้แหละดีแล้วนะนะต่างเป็นผีทะเลจับกันไว้ด้วยกันทั้งคู่นะนะ <c oughs> นะคุณจับผมมั่งผมจับคุณไว้มั่งอะนะอยู่ๆกันเนี่ยอยู่ด้วยกันนี่แหละอย่างเงี้ยอย่าไปเลยอย่างเงี้ยอย่าออกเลย มีข้อความอีกหนึ่งบทหนึ่งเมื่อกี้นะว่าปรมัถวิชานันท์เนี่ยนะที่ท่านบอกว่าเป็นเครื่องให้รู้แจ้งปรมาทเนี่ยนะคำว่าให้รู้แจ้งปรมาทเนี่ยมาจากบาลีว่าปรมัถวิชานันังได้แก่เครื่องรู้แจ้งปรมาถประโยชน์เนี่ยนะปรมาถประโยชน์โดยศับก็หมายถึงพรนนีพพานอยู่แล้วอธิบายว่าอันประกาศประวติและนิวัติอันไม่ผิดแผ่ อันนี้คือประมัดอย่างสูงสุดคือต้องรู้ประวัติกับนิวัติประวัติเป็นชื่อของทุกขสมมุทัยสัตว์นิวัติเป็นชื่อของมักสัตว์และนิโรธสัตว์เนี่ยนะเพราะนั้น่นคือประมัติธวิชาหนังนะเครื่องรู้ชี้แจงประมัดเนี่ยอันนี้คือประมัดจริงๆคือเนี่ยทุกขสมมุทัยนิโรธมักเนี่ยนะคือประมัดให้ให้รู้นะว่าชีวิตของสัตว์ทั้งหลายเนี่ยมีสัตวจระสองปกตินะ คือทุกข์มูทายสัตว์อ่ะอันนี้เรียกว่าประวัติหรือประวัติอ่ะคือเป็นไปอ่ะเพราะฉะนั้นเวลาเราอ่านคําว่าประวัติประวัติใครนะบอกว่าเขามีสัจจะสองเวน้นประมัดประวัติพระอรหันต์เสีพระอรหันต์จะเพิ่มได้อีกสัจจะหนึ่งคือมัคคสัตต์แต่ถ้าเป็นคนทั่วทไปเนี่ยจะเดินอยู่มัคสองทุกข์มูทายนี้ถ้ามาเจริญตามคําสอนก็จะเพิ่มมาอีกมัคหนึ่งคืออริยมัคเนี่ยนะ ทีนี้ไออารยมรรมเนี่ยเป็นข้อปฏิบัติที่เป็นประวัติมีโยมคนหนึ่งก็ถามว่าผมเนี่ยอ่านพระไตรปิฎกไม่ค่อยไปเลยนะครับว่า ง, งัน้นจะไปได้ยังไงเพราะมันมีแต่จะไปตามวัตฏะนะเพราะคําสอนที่บอกว่าทวนกลับเนี่ยมันอ่านไม่ได้ก็เหมือนกับว่าเวลาเราเราขับรถไปข้างหน้าอย่างเงี้ใช่ไหมถามว่าเราจะเห็นไหมถามมา้ามาทางเนี้ยนะสวนทางเนี่ยจะมองเห็นไหมไม่เห็นเพราะว่าถ้าไม่น้อมมาเพื่อที่จะค่อย มเรียกว่ามองกลับแล้วเขค่อยทวนออกมาเนี่ยนะหมดเสร็จเลยฉันได้เนี่ยมูสัต์ทั้งหลายมันจะมันจะเดินหน้าอย่างเดียวอ่ะจะสร้างประวัติอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่จะสร้างนะสร้างประวัติอยู่ตลอดเวลาเลยนะเพราะฉะ น, น, นั้นไอ้นีวัดนี่ก็เลยกลับเพอะกลับเพ้อเนี่ยนะพระเจ้าโบกเลยก็ไม่เอาอ่ะอยังเที่ยวไม่ก็มีอยู่สูตรหนึ่ ง, งว่า มสัตว์เนี่ยที่เพลิดเพลินในการมาคุณเนี่ยนะยังไม่ทันอิ่มก็ตายไปฉันได้เนี่ยนะผู้ที่เกิดมาก็ลักษณะนั้นเนี่ยนะมันก็มีอย่างที่เที่ยวอีกที่ยังไม่ไม่สิ้นสุดใช่ไหมก็เลยมีบางท่านก็บอกว่าเกิดมาเนี่ยถ้าอายุมากๆหน่อยก็จะเที่ยวรอบโลกกันนะครับก่อนสวดมนต์นะครับผมอยากจะพูดอะไรนิดหน่อยคือท้า ผมนึกในใจนะเมื่อกี้ถ้าเป็นวิชาทางโลกโลกเนี่ยแล้ววิชานี้มันยากมากเนี่ยในวิชาธรรมะเนี่ยแล้วผมไปหาศาสตรา จ, จารย์นะท่านหนึ่งมาบรรยายท่านฟังเนี่ยนะท่านคิดด้ว่าชั่วโมง ล, ละสักเท่าไหร่ครับแล้วท่านมาฟังเนี่ยนะท่านท่านได้ซับไปเท่าไหร่ครับนะเพราะฉะนั้นท่านอย่าขาดเลยนะเพราะถ้าท่านจะในสังสารวัตรที่ท่านจะไปหาหาผู้ที่จะมาบรรยายอย่างนี้นะซึ่งคิดเป็นเงินเป็นทองแล้วทางโลกโลกยังยังไม่รู้จะเป็นชั่วโมงละเท่าไหร่เลยนะ แล้วก็หาศาสตราจารย์อย่างนั้นมาอธิบายเนี่ยไม่ง่ายเลยเพราะฉะนั้นก็ท่านก็คิดว่าเป็นลาภของท่านก็นแล้วกันนะท่านอย่าอย่าปล่อยให้ขนามันล่วงเลย <laughs>